3. ต้องขออภัยอย่างสูงสุดในการวิจัยทั้งหมดต่อไปนี้อาตมากำลังจะวิจัยสัจธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆตามภูมิปัญญาของอาตมาเท่าที่ตนเองมีและตั้งใจมุ่งหวังเพื่อแจกแจง เพื่อค้นคว้าเหตุผลในการศึกษาหาความรู้และพิสูจน์เข้าไปให้ถึงความจริงกันให้ได้ให้มากที่สุดด้วยเจตนาดีปรารถนาดีอาตมาจะพยายามที่จะให้สุภาพที่สุดเท่าที่อาตมาจะภาคเพียนอุตสาหะทำได้ เพราะอาตมาไม่มีเจตนาจะลบหลู่ดูถูกดูแคลนข่มเบงกดขี่ย่ำยีหรือมีจิตที่เป็นเชิงยกตนข่มท่านซึ่งเป็นความรู้สึกต่ำซามอย่างนั้นแต่อย่างใดเลยแม้แต่นิดน้อยขอเถิดแม้ใครใครก็อย่าได้มี ความรู้สึกดังกล่าวนั้นเลยความมุ่งมั่นของอาตมานั้นตั้งใจจะแสดงความรู้เหตุผลหลักฐานวิชาการให้เห็นแง่เชิงของความเห็นของอาตมาว่าอาตมาเห็นอย่างนี้จริงๆซึ่งขัดแยง้งหรือเห็นต่าง กับความเห็นของชาวเทวนิยมแน่นอนที่สุดเพราะเหตุนิทานสมุทยปัดใจของฝ่ายเทวนิยมกับฝ่ายอเทวนิยมนั้นต่างกันโดยปรมัาทสัจจะอย่างสิ้นเชิงที่สำคัญก็คือการวิจัยนี้ อาตมาในฐานะที่เป็นพุทธร้อยเปอร์เซนย่อมจะมองเห็นความเป็นอาเทวนิยมที่เป็นทิฏฐิของชาวพุทธนั้นถูกต้องสูงกว่าสัมมาทิฏฐิกว่าหรือเหนือกว่าเทวนิยมแน่ยิ่งกว่าแน่ ดังนั้นยิ่งอ่านก็ยิ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีเชิงขม่มมีเชิงลบหลูมีเชิงดูถูกดูแคลนขึ้นมาได้ก็จึงต้องเกริ่นกล่าวขอความเห็นใจในกรณีนี้หากพึงจะเกิดกับผู้ใดก็กราบขออภัยอย่างสูงอย่างมากจริงๆ มันคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้เห็นความแตกต่างข้อแตกต่างและที่สำคัญยิ่งก็คือการชี้ว่าส่วนใดดีส่วนใดไม่ดีอย่างใดสูงอย่างใดต่ำแม้จะดีกว่ากันมากดีกว่ากันน้อย สูงกว่ากันมากสูงกว่ากันน้อยก็จำเป็นที่จะต้องสาธยายไว้ในที่นี้ด้วยจึงเป็นความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องกราบขออภัยอย่างจริงใจที่สุดกรุณาถือเสียว่าเป็นไปเพื่อการศึกษาด้วยเถิด